สรมาสัพพุทธาทัมโมหาวิรากติธรรมจารีติณบัดนี้จะได้อธิบายในเรื่องบุคคลผู้ไห่ธรรมะบุคคลนั้นมีความสุขบุคคลนั้นไปทางที่ถูกต้อง บุคคลนั้นแปลว่าไม่ได้ไปุกทุกข์ใดยบุคคลนั้นใหเวียนประการใดไม่มีบุคคลนั้นคนแล้วจากบากรรมใดๆบุคคลผู้ได้ธรรมะคุมของบุคคลก็ได้ธรรมะรักษาอยู่ตลอดไปเดี๋ยวนี้ของพวกเราทุกคน นึงได้บุญกุศลรักษาสได้บาปรักษามีสองอย่างอยู่ตตลอดสายวันหนึ่งบุญกุศลรักษาได้มาวันหนึ่งบาปกรรมรักษาได้มาปีนี้บาปมากปี ก, ก่อนนั้นบุญมาก อันนี้แปลว่าเราทุกคนที่เป็นบุคคลต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปเรื่อจะเกิดความดีกับความชั่วทั้งสองนี้ในตัวของเราเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวไปมาในชีวิตของตนเมื่อเราเคลื่อนไหวไปมาแล้วชีวิตที่ประทบกปะ อันสิ่งที่เป็นบาปเพิ่มให้บาปให้ตลอดไปเกิืนไหวไปชีวิตที่พบปะอันสิ่งที่เป็นบุญก็เป็นบุญกุศลเพิ่มไปอันนี้เพื่อนว่นใดเส็บปกเราทุกๆคนต้องเป็นนี้เพราะฉะนั้นในการที่เราไปตกนรกชีวิตยังไปนรก ชีวิตหนึ่งไปสวนวันอยู่อย่างนี้ทุกคนตลอดไปอันนี้เขาเรียกว่าบุตรชนแปลว่าบุญกับบาปทั้งสองรักษาใจรักษากายของพวกเราตลอดกันมาปุนี้ <c oughs> <c oughs> เมื่อบรรมีกรทันเกออันนั้นม้จะเรื่องเพิ่มบาปตลอดไปปุณนี้ นาที่สุดกว่าจะไดไปกับพระพวกเพื่อนคุ้งทั้งหลายไปฟังเทศพุทธเจ้าไปสาบไว้พุทธเจ้าไปทําความเคารพพุทธเจ้าไปสดับรับฟังพุทธเจ้าไปเห็นพระพุทธเจ้าไปเห็นพระอรหันต์ทั้งหลาย คู้นั้นความสงบอยู่ตลอดไปเออได้บุญไปน้อยหนึง่งผ่านอย่างนี้ก็มาหลายลอยหลา ย, ลายพันหลายหมื่นหลายเสดผู้ทั ก, กจึงได้เป็นผู้คนผู้ชีวิต น, นี้ไปนรกชีวิตนี้ไปสวรรค์อันนี้คือว่าเปลี่ยนไ ป, ไปเปลี่ยนมาโดยจนตลอด บุคคลเช่นนี้บุญกับาป ท, ทั้งสองเป็นคู่กันอยู่ในใจของพวกเราเพราะฉะนั้นบุคคลผูใ้ในธรรมะรักษาใจของตนธรรมะอย่างต่ำนั้นจิตเบากายเบาจิตเย็นกายเย็นจิตไม่ฟุ้งซ่านนั่งไ้ตามสบายเสมอ อันนี้คือว่าธรรมะคุ้มของไม่ได้ตกไปในชีวะหน้าที่หนีจากร่างกายก็ต้องไปสู่สวรรค์หรือไปสู่โคมโลกอันนี้คือว่าธรรมะโลอีอย่างต่ำผู้สูงขึ้นไปอี ก, กว่านั้นกายยี่ส่วนหนึ่งใจยี่สนหนึ่ง ไม่ได้ปะปนชื่นกันในกันอยู่คนละส่วนบุคคลผู้สั้งอยู่ทำได้อย่างนี้อยู่บุคคลนั้นเมื่อหนีจากล่างกายผมทำตกแต่เป็นองค์พระปมแปลว่าองค์ฌานตกแต่ไปเป็นปกท롬วันอยู่มังคมน้องนานที่สุดกว่าเจดีย์ชุติเจ้มุเกิดเมืองมนุษย์ต่อไป อันนี้ก็เรียกว่าผู้ใดองชานได้ธรรมะได้สมารูปีได้ความสุขได้ความสว่าดได้ปัญญาได้วิชาปัญญานั้นแปลว่ารู้จักอันเป็นบุญเป็นบาวิชานั้นแปลว่ารู้จักเหตุผลทั้งหลายในโลกตัว น, นั้นจริงจิตัวนั้นจริงจิตวิจา เห็นปกปิดเห็นปกซีเห็นปกเทวะสารเห็นาหนารมเห็นสว่างเห็นความดีความชั่วของคนอื่นทางตัวเจ้าของอันนี้เขาเรียกวิชาความสว่างแจ้งขึ้นมาวิชาตัวนี้มาจากใจของตนไม่ได้เกี่ยวข้องกับสาหริยะร่างกายร่างกายเป็นส่วนหนึ่งใจเป็นส่วนหนึ่ง อยู่ด้วยความสว่างสวัยอยู่ได้องธรรมะคือความรักษาเป็นความสุขความเจริญอันนี้แหละเป็นแนวกวามทมโมหาเวและกติธรรมะจารีทำคุ้มครองบุคคลผู้ที่ตั้งใจได้แล้วบุคคลนั้นไม่ได้ตกไปนในทิศชั่วได้เป็นคนที่บริสุทธิ์เป็นมนุษย์จะเป็นผง นี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าตัวของเราทุกคนในเวลาบาดเดียบนี้อะไรมันมากกว่กันนึกถามตัวเจ้าของให้ตุบุญมันมากเรื่องปากมันมากวันหนึ่งตัวของเราคิดถึงว่าจะได้บุญวันหนึ่งตัวของเราคิดถึงว่าหาอะไรได้นีเรื่องความอยากอะไรมากกว่กัน อันอยากได้ในสิ่งที่ถูกต้องไม่เป็นบาปเป็นกรรมอันนั้นเพฉันเลวกว่าเป็นความอยากอันความอยากได้ในสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมอันนั้นเป็นมันว่าเป็นโลภความโลภตลอดไปในจิตของตนบาปก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆอย่ในใจของตน เนี่ยเราทุกคนจงจิตนึกในตัวของเราทุกทุกคนอยู่ไปทุกวันทุกวันมันเพิ่มบุญหรือมันเพิ่มบาปหรือมันเพิ่มธรรมะใ้จิตนึกในตัวของเราทุกทุกคนบุคคลผู้ฝึกฝนรู้จักเหตุผลอย่างนี้แล้วบุคคลนั้นแปลว่าใจสะอาด ใจเป็นเกีุรตรใจเป็นเกีรตวาดาหน้าที่ก็ต้องไปสู่คือภพของเทสหลายบุคคลที่ทำอย่างนี้เส ม, มอไปบุคคลเช่นนี้แปลว่าพบ ว, ว่าบัณฑิตยเส ม, มุทในชีวิตของตนเมื่อเกิดพุกต่อไปภายข้างหน้าก็ต้อได้ทำบุญตัอพระเจตาุถ้าได้ทำบุญนำพลีสีโยกี ได้ทำบุญนำพุทธเจ้าทำบุญนำพระอรหันต่างลๆได้ใช้ดับละควังได้ฟื้นผลตนของตนเป็นนิชัยเป็นปัจจัยระดับเพิ่นไปตลอดเป็นนี้บุคคลหนึ่งกว่าจะได้สําเร็จมรรคผลผ่านพระพุทธเอเจ้ามาแล้วจากที่ร้อยกี่พันกี่มกแสนพุทธคัจึงจะได้สําเร็จมรรคผล ไม่ใช่เป็นของไใ่ะนี่ให้เราทุกคนจงผิดนึกในตัวของเราอันบุคคลที่ไม่คิดไม่อ่านอะไรทุกอย่างพูดขึ้นมาว่าข่าจะไปนิพพานแันทีแต่ตัวเจ้าของไม่รู้อะไรเชกอย่างศีลตัวหนึ่งก็ไม่มีมนตังหว่าศีลห้าหรืศีลตัวหนึ่งตัว น, นี้ความโลภของตนความรุ่มหลงของตน ตนของตนทําความชั่วท้งกายทางวาจาท้งใจตลอดไปจะถือว่าเจ้าของและเจะา้าผูานอันนี้พ่ะเอกว่าทุกคนเอาความพูดเป็นมงคลเอาการปฏิบัติเป็นบาปดำเป็นความชั่วเพื่อให้เจตัวของเราตลอดไปผลที่สุดของพูดนั่นจะเป็นบาปตลอด นี่ให้เราทุกคนจงติดนึกว่าตัวของเราทุกสุขคนให้ธรร ม, มะเป็นที่อยู่ในใจของตนให้ธรร ม, มะเป็นที่คุมครองใจของตนตนของตนจึงจะมีนิสัยมีปัจจัยในชีวิตนี้ชินหน้าต่อไปนิสัยปัจจัยของเราจึงววจะได้พบกับกุศลเก่าจะได้นั่งใต้ศีร ระดับฟับบงก่าบไหวปฏิบั ต, ติตั้งใจของตนขยับเข้าไปทีละน้อยละน้อยจนกว่าจะได้สำเร็จมากผลนี่ให้เราทุกคนจงติดนึกว่าตัวของเราทุกคนยุติเวลาปัจจุบันนี้หน้าที่ของเรามันเพิ่มบุญให้มากหรือเพิ่มบาปให้มากในวันหนึ่งวันหนึ่งนะให้เราคิดนึก ในตัวของเราทุกๆคนตลอดไปจึงจะรู้สักใดว่าตนของตนเพิ่มบาปมากกว่าหรือเพิ่มบุญมากกว่าบานี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกท่านตื่นขึ้นมาแล้ววันนี้ข้าจะทำความดีหรือจะทำความชั่วข้าจะเพิ่มความดีหรือจะเพิ่มความชั่วนึกอยู่อย่างนี้เสมอบุก ค, คนนั้นแปลว่าเตือนสูวเจ้าของตลอดไป ไม่เห็นคิดพลาเพราะเราเป็นมนุษย์แล้วหน้าที่ของเราจะเพิ่มความดีเดิมากเป็นสัตว์สิงเดียร์สารนั้นไม่รู้ภาวะใดๆดมิใช่เรื่องกลัวความตายสองความอยากกินมีอยู่ทนัดสัตว์สิงเดียร์สารสัตว์ที่ดุร้ายมิจะเรื่องอยากเบียดเบียนตัวอื่นไปตลอดไปเส้นผุเสืออย่างนี้ พวกนกเข้าอย่างนี้พวกแมวอย่างนี้พวกมูไรอย่างนี้อะไรทุกอย่างไม่จะเรื่องอย่าเปลียนเพลี่ยนคนอื่นตลอดไปถึงนี้พวกเยี่วพวกแล้วทั้งหลายอันนี้เปรวสักโตายอันนี้เปลว้ยวเพิ่มแต่ฟาตัวสลับไปสักพวกเหล่านี้นานที่สุดฟ้าจะได้เป็นมนุษย์ต่อไปไม่จะเรื่องปูกินมึ ง, ม ง, มงมกินอู่ปูข้ามึงข้าอูตลอดกั้นไป ว่าจะพ้นภัอันตรายอันนานที่สุดในโลกนี่ให้เราทุกคนจดคิดเนึกว่าตัวของเราทุกคนอยู่ในเวลาปัจจุบันนี้เราเป็นมนุษย์แล้วหน้าที่ธรรมะจะเกิดขึ้นหน้าที่บุญกุศลจะเกิดขึ้นหน้าที่ปัญญาจะเกิดขึ้นหน้าที่องค์ญาณจะเกิดขึ้นหน้าที่ของเราควรจะได้ไปสิน้นสุดวา ไปสู่สวรรค์พักขออยู่ในสวรรค์ว่าบัณฑิตตรวขึ้นในโลกเมื่อไรจึงสุดติดลงมาสร้างบั้มเป็นอีกต่อไปเมือน่าในให้เราทุกคนจงติดนึกในตัวของเราทุกบุคคนเพราะฉะนั้นบุกคนกคน็ได้ธรรมะคุ้มครองบุกคนนั้นเขาแปลว่าเป็นคนผู้ละมัดระวังหลักษาอยู่ตลอดไปในชีวิตของตน ไม่ให้ความชั่วใดใหญ่คุ้มคมรองใจของตนมีแต่เรื่องความดีคุ้มคลองถือสนตลอดกันไปเขาจึงได้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยเช่นพระอริยะเจ้าสังฆาในศาสนาพระเจ้าโคตมท่านเป็นผู้ปฏิบัติกันมาได้หลายโชติภุท ธ, ธาแล้วระดับอย่างนี้เราวัดจะวังรักษาอย่างนึง ผลที่สุดเพือได้สาเร็จมากที่สุดมีหลายเราทุกคนคิดอ่านว่าอนาคตเบื้องหน้านาที่พุทธเจ้าจะมศาสตร์ในโลกนานที่สุดกว่าพุทธเจ้าจรมศาสตร์องค์หนึงน่งองค์หนึ่งไม่ใช่เิ็นของมาได้ไ ง, ง่ายง่ายที่สุดนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าการรมัดระวังรักษาบุคคลผู้ตั้งใจ เขาไปพักผ่อนอยู่บนสวรรค์นม น, นานจนเกินกว่าบัณฑิตเกิดขึ้นในโลกเขาจึงลงมาเกิดในโลกอันบุคคลไม่คิดไม่อ่านอะไรทุกอย่างหน้าที่ก็ต้องไปนอนพักอยู่นกรกไฟไม่จะลอดไปเป็นนี้โศยความทุกข์ตลอดไปเป็นนี้กว่าจะเท่าไรกี่เท่าไรล้านเท่าไรกัดเขาจึงจะได้มาเป็นมนุษย์ต่อ เป็นมนุษย์แล้วความดีมี น, อน้อยมันก็ต้องเวไปหาความโชคไปหาคน่าลต้องทำความโชคดีเราแล้วต้องไปนรกอีกอย่างเกา่าอันนี้ให้เราทุกคนจงติดนึงว่าตัวของเราทุกคนผู้ต้องการปรารถนาหาความสุขอยู่ตลอดไปเป็นมนุษย์ได้ความสุขเป็นเทวดาได้ความสุขเป็นพรหมได้ความสุขเป็นมนุษย์พบวาบันดิ เป็นเทวดาทังหนายวิ่งจากความชั่วใดๆในตั้งใจของตนตลอดไปเป็นเทวดาได้ชั่วข้าวตนของตนมีนิสัยปัจจัยด้อยเมาเข่ า, ขาเรื่องเมาเลา้าลืมกินพอาหารลืมพอนอนห ล, ลับแล้วให้ความแค้นใจว่าเราไม่สวยงามเหมืนเขาเราเป็นคนไม่เสมเออเขาหรือเป็นคนที่ไหมชื่อเสียงไม่เดีหรือรูปล่างไม่เดี อะไรทุกอย่างตนของตนแค้นใจก็บตกบาตลงมากัลงนรก ท, ทันทีนี่ให้เราทุกคนจงติดนึกอันี้แว่าเทวดาทำความชั่ ว, าาวลืมจินอาหารกัเมาเกินไปกับตกบาตรลงมากัตกนรกไปสวยความทุกข์ของตนต่อไป ท, ทันทีนี่ให้เราทุกคนจงิดนึกว่าตนของตนทุกคนเป็นนิสัยเป็นัจัของตนตลอดไป ไม่ได้เสียเา ป, ยนะปาออประโยชน์นะนิสัยปัจจัยความดื้อของตนจะได้รับผลประโยชน์ต่อไปภายข้างหน้าว่าพกเราจะผลทุกนคนไปไหนโลกใครเรถือว่าโลกไม่มีความสุขแล้วเกิดมามิจตเรื่องความทุกข์เอาเจ็บป่วยไข้ายปัสสาจาการความทุกข์เกิดขึ้นตัวของเราเป็นขยะโลกาของความทุกข์เกิดขึ้นสิ่งไม่มีสิ่งที่ไม่พอใจกับความทุกข์เกิดขึ้น อะไรทุกอย่างนั้นเองมิเจอเรื่องความทุกข์ตลอดกันไปิงไม่มีรถก็เป็นทุกข์นอนไม่หลับก็เป็นทุกข์อะไรทุกอย่างไม่เจอเรื่องความทุกข์มันเกิดขึ้นอยู่เสมอเป็นนี้ในชีวิตร่างกายอันนี้ต้นนีกขึ้นชื่อว่าภระฮาเวเป็นจักขันตาเรียว่าเป็นภระดูแลร่างตายร่างสังขารร่างกายอันนี้ภราฮาโลจะพุกโขโล บุคคลใดเ อ, อ๋ยยังงมเมารักษาล่างกายนี้ตลอดกันไปพระทานังทุกขังโลกีมีคนทุกข์อยู่เสมอในโลกอันนี้หยุดจนตลอดไปพระ น, นิเคปนานังสุ ข, ขังผู้ปดได้แล้วจะพระของขันหมดแล้วไม่มีอุปทานความดึดสือสิ้นพระอริยะเจ้าทั้งหลายตั้งแต่ขั้นระโสตตาเป็นต้นได้ความสุขความทำรานตลอดใจไปถึงนิจ นี่ให้เราทุกคนจงคิดนื้อคิดอ่านจนสมศรนทุกคนในชีวิตวันเดียวนี้นะ้าที่ของพวกเราอันจะได้เกิดในโลกอันนี้จะพิดพบจะกคิสศาสจันับคานาบได้ต่อไปฝ่ายทางหน้าควรรักษาให้ความสุขเกิดขึ้นควรให้ได้รับผลเจ้าเป็นมนุษย์แล้วจะให้ทุกเกินก่าเราไปมาใช้การงานสาริษฐานร่างกายอันนี้ให้เป็นบุญนกุศลทุกพบทุกศาส ตัวของเราจึงจะรับความสุขความสวัสดิเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเพราะฉะนั้นที่อาจจะมาได้สแสดงในธรรมโมหาเวรคติธรรมาจาลีบุคคลผู้รักษาธรรมทำย่อมคุ้มครองบุคลคลผู้นั้นไม่ให้ไปตกในความชั่วประการใดๆที่อาจจะมาได้สแสดงมาอธิบายมาพอสมควรตลอดเวลา อีวังโกมีด้วยปัจาระสนอายวัโกนวัโกสิิวัโกเวัโกลวโกววัโกวัโกโหตุสัาอายวักนวักสิิวักเวักลวกววักุวัตกะโหตุสัปปะาอยวัโสุขังล ไม่ยั้งสังเกตรักกันอยามหังรนอยาไรม่ยเส้นาตรงนี้ตลอดเวา